หลวงตาพระมหาบัวตอบคำถามเรื่องคาพีในชันอัตถกถาไม่น่าเชื่อถือจริงหรือไม่มีคาถามว่าเกี่ยวกับคำภีในชันอัตถกถาในวงการพุทธศาสนามีนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่าคาพีในชันอัตถกถาไม่น่าเชื่อถืออยากฟังความเห็นของหลวงตาว่าเป็นจริงดังนั้นหรือไม่ หลวงตาถามว่าคนที่พูดว่าไม่น่าเชื่อถือเขาเป็นคนประเภทคาถาหรือเป็นคนประเภทอัถกาถาโยมตอบว่าเขาเป็นนักวิชาการหลวงตาจึงบอกว่านักวิชาการท่านนักวิชาการก็นักวิชาการตาบอดเข้าใจไหมหาเมื่อวดทำไม ใครจะเกินพระพุทธเจ้านักวิชาการแก้กิเลสได้นักวิชาการเนี่ยกรอบกอยกิเลสเข้ามาอิทธิมานะถือตัวว่าตัวรู้ตัวฉลาดนี่คือคลังกิเลสเข้าใจเหรอพระพุทธเจ้าคือคลังของธรรมะอธถคถาท่านแยกขยายออกมาคถาอธถคถาเป็นต้นแล้วก็แยกออกมาเป็นกิ่งเป็นกา้าน มันก็กิ่งก้านของต้นไม้ต้นนั้นแหละจะผิดหรือถูกจับกิ่งก้านเข้ามาก็มาหาลำต้นของมันถ้าเราไม่บ้าไปโดดจะ ก, กิ่งก้านลงเหวไปเสียพวกนักวิชาการอยากเป็นนักวิชาการลงเหวเข้าใจไหมอา้าวว่าไปโยมอีกท่านหนึ่งจึงเรียนถามว่าที่มีคนถามถึงอัตถกถาก็คงหมายถึงว่า ตำราที่อรถกาจารย์อธิบายคำผีพระไตปิดกคงจะหมายถึงอย่างนั้นมากกว่าหลวงตาตอบว่าเออก็อย่างนั้นแล้วพระไตปิดกก็มาจากคาถามาจากพุทธพจน์ว่ายังไงเราก็เลือกเฟ้นเอาสิการนั้นกิ่งนี้ก็มาหาต้นใหญ่ถ้ามันไม่เลือกผิดโดดผิดตกเหวตายเสียไม่กุศลาให้ เข้าใจหรอก็ยังบอกให้พี่นิดพิจารณานะมีสัมมารกระนังเสยโยว่าไงเอะอะจะไม่เชื่ออย่างเดียวไม่ได้เราเก่งกว่าศาสดามาจากไหนเก่งกว่าอัฏฐกะถาจานมาจากไหนจึงจะว่าไม่เชื่อทีเดียวอันนี้ก็ยิ่งเห็นความเลวความชั่วของเจ้าของเข้าใจหรือเปล่าละ่ะแล้วมีอะไรอีกละ่ะพุทธพจน คาถาอัตถกาถาแปลมาเรื่อยๆถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะเราก็จับไปจากนี้เข้าไปหาต้นต่อเอาสิถ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดจริงๆนะ่ะถ้าจะเอาหลักวิชาการมาอวดเนี่ยนักวิชาการอันนี้ไม่มีใครเชื่อเหมือนกันนั่นลหละอย่าว่าจะเราไม่เชื่ออย่างเดียวเขาก็ไม่เชื่อเราเหมือนกันทั้งโลกคนแบบนี้นะเข้าใจเหรอ